นะครับให้นึกถึงโลกอาคือเราเยอะๆดวอาที่สองเป็นดวอาขอความคุ้มครองจากอาลัลลอฮ์ให้พ้นจากเรื่องไม่ดีเรื่องสัตว์ร้ายเรื่องคนที่คิดไม่ดีหรือสัตว์ที่จะมาทําอันตรายกับตัวเราเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นะครับสัตว์ร้ายบางทีเรานอนกลางคืนแล้วก็ไม่รู้บางทีมาแรงปอง บางทีก็มีหนูบ้างมีสัตว์ร้ายบ้างเข้ามาในห้องขนาดปิดประตูอย่างดีแล้วนะยังมีสัตว์ร้ายเข้ามาอีกก็มีฉะนั้นต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์หรือตอนเราเดินมามัสยิดเนี่ยอาจจะเจอสัตว์สัร้ า, ายกัดก็ได้เราไม่รู้ฉะนั้นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เพราะบางคนเนี่ยไปขอเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนอกจากอัลลอฮ์ก็มีฉะนั้นเราต้องขอความคุ้มครองจากอลัลลอฮ์ นะครับตลอดเวลา <c oughs> ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานนี่ปีนี้เป็นปีที่สิบเก้าแล้วเลยปีนี้ขึ้นมาใหม่ในปีที่สิบเก้าสิบเก้าปีแล้วนะารประทับทำด้วยลิลลเราก็ทำสอนกันบอกกันเตือนกันเอาอะไรมาสอนเอากุรอานมาสอนเราเรียนจบไปแล้วนะอ่านทบทบทวนจบไปแล้วสูรที่สิบแปด ซูรอที่18เนี่ยเขาเรียกว่าซูรออัลก้าคืออัลก้าที่แปลว่าถ้ำถ้ำคือคนที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยประมาณ3 0มกับเปีมีเด็กหนุ่มๆประมาณ 5-6 คนหนีจากกษัตริย์ที่โหดร้ายจับคนฆ่า เห็แล้วมีเด็กนุมประมาณห้าหกคนเนี่ยหนีออกมาจากกษัตริย์กลุ่มกษัตริย์คนนี้แหละแต่มาจากหลายๆกลุ่มมารวมกันมันนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ก็นั่งมองหน้ากันจะเอาอะไรกันดีต่างคนทังไม่รู้จักกันพอหลังจากได้คุยกันเพิ่งรู้ว่าเราเองก็หนีมาเองก็หนีมาเองก็หนีมาหนีจากกษัตริย์ที่โหดเหี้ยมก็เลยกลายเป็นยมคุมประมาณตัวเลข คุรานมาเดียบอกว่ากี่คนบางคนบอกว่าสามคนบางคนบอกว่าสี่คนเรียกว่าห้าคนหรือหคนตัวเลขไม่ไม่ไม่ไมสําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้น่ะเขาเป็นคนที่มีใจสะอาดต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวต่าแล้วตอนนั้นเองทีลังก็หนียังไงอ่ะก็เข้าไปในถ้ำไปนอนหลับไปเลยไปนอนอยู่ประมาณสามร้อยถ้าคิดตาม จันทรคติสามร้อกับ9ปีถ้าคิดตามสุริยคติใช้ดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์เนี่ยก็นับได้สามรอยปีแต่ละร้อยปีร้อยปีจะเพิ่มมาสามปีสามปี3าปี mm hmm. ก็แสดงว่านับระบบทางสุริยคตินั้นน้อยกว่าระบบทางจันทรคติแต่ความรู้เยอะเลย เราศึกษาตรงนี้เราได้ความรู้เยอะทั้นคนที่จ่ายอากาศโดยใช้นับเดือนมกราคมพามีนาเมษาใช่ไหมปีหนึ่งจ่ายอากาศที่นึงรู้ไปร้อยปีนะขาดไปกี่ปีสามปีท่า น, นเวลาจะทำทาความดีจะจ่ายอากาศจะทำอะไรก็ตามเป็นผู้หญิงถ้าสามีตายต้องรออินดาขี่เดือนสี่เดือนกับสิบวันเนี่ยต้องใช้จัญญรัตติทั้งหมด ต่า น, นคนที่จ่ากาศนับตามสุริยกติขาดไปร้อยหนึ่งขาดไปกี่ปีสามปีถ้าอายุเราหกสิบปีขาดไปกี่ปีเนี่ยอัลลอฮอัลลอให้ชายปัญญาเยอะขอบคุณอัลลอฮสุลฮานะฮวะตาลาเอาสรุปสั้นๆ ส, สุรที่เราเรียนกันมาแล้วในนะสุร์กาฟีเนี่ยได้ข้อสรุปข้อที่หนึ่งสุร์กาฟี่เนี่ยนะมีคำสอน นะครับที่ที่ไรนะที่แปลกคำสอนที่แปลกอลัลลอ์เล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือวาลีคอดิสวาลีคอดิดเนี่ยกับนบีมูซาเนี่ยอลัลลอฮ์ส่งวาลีคอดิดมาเพื่อที่จะมาสอนนบีมูซาเพราะนาบีมูซามีอยู่ข้างหนึ่งพูดบอกว่าฉันนี่นะรู้เก่งที่สุด ฉันได้มีความรู้มากที่สุดภาษานี้เป็นภาษาที่อัลลอฮ์ไม่พอใจก็เลยส่งวลีคอดิสมามาทำอะไรมาสอนแสดงว่าคนที่รู้กว่านาบีมูซามีไหมมีใครอะคอดิ์ก็คงจะจำจำได้นะว่ามีรู้รู้อะไรบ้างเช่นวลีคอดิที่ทำไว้นะไปฆ่าเด็กคนหนึ่ง นบีมูซาถามข่าเด็กข่าทําไมเนี่ยเด็กมันเด็กดีเด็กสะอาดเด็กบริสุทธิ์เด็กยังไม่บรรลุในติราว่ะพอข่าเสร็จนบีวารีเขาลก็ตอบบอกว่าที่ฉันฆ่าเด็กคนนี้เพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ถ้าโตไปจะบงังคับพ่อแม่เขาให้ทรยศต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาละแล้วก็ขออุฮาตอลรอให้เขามีลูกมาใหม่ที่ดีกว่าลูกคนเก่า ลูกคนใหม่ก็คือลูกที่มีสองอย่างที่แข็งหนึ่งมีศาสนาสองมีนิสัยดีมีอัครากดีเนี่ยการมีลูกเนี่ยนะหาความรู้ก็หาจากมหาวิทยาลัยจากโรงเรียนจากสถาบานันการศึกษาแต่ศาสนาเนี่ยเขาสอนกันที่ไหนที่บ้านเขาสอนกันที่บ้านใครสอนละ่ะพ่อแม่นีแหละอบรมลูกหนึ่งให้มีอะไรให้มีศาสนานี่น บ, บีมุฮัมมัดสอนเลยนะ ฉะนั้นให้ศาสนากับลูกนะให้ที่ไหยให้กันที่บ้านคือพูดกันทุกวันคุยกันทุกวันลูกนมาสสนาะลูกอ่านกุรานนะลูกแต่งตัวตามที่อัลลอฮ์สั่งนะทิ่ยาบคุณไม่ดีนะเอามาจากบ้านแล้วก็สองอัคลากหรืมารยาทในการนอนแบบอิสลามมารยาทในการข้าวห้องน้ําแบบอิสลามมารยาทในการขับรถอ่านดองทั้งหมดนี่ต้องพ่อแม่ต้อง ต้องเตือนให้กำลังใจตลอดเวลาฉะนั้นถ้าใครอบรมลูกนะครับให้มีสองอย่างนี้นบีสั่งที่ว่าถ้ามีผู้หญิงบ้านใดมีผู้ชายที่มีลักษณะเด่นสองอย่างเรียกมาขอเนี่ยนะให้ยกเขาไปเลยตัดนิกายไปเลยใช่ไหมแต่ทีนี้ในวันนี้เนะี่ย บางคนเนี่ยนะเรื่องการสูบสูบสูบสบุหรี่เป็นของธรรมดาบางครอบครัวเขาก็ไม่ให้เหมือนกันนะผู้ชายคนนี้ดีไหมศาสนาดีแล้วก็มารยาทดีแต่สูบบุหรี่ถ้าสูบุรีฉันไม่ให้ไปเลิกบุหรี่มาก่อนใช่ไหมฉะนั้นอัคลาคที่ดีเนี่ยรวมไปถึงการไม่สูบบุหรี่ด้วยนะีเป็นมารยาทที่ดีมากเลยเอาละนี่เป็นสรุปสรุปอาจารย์เป็น้องฟัง เรื่องที่สองนะครับเรื่องยาจุดกับมาจุดยะจุดกับมาจุดเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่มุฟซิดูนฟิลอาร์ดสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนะครับเรื่องที่สามก็คือรุลกอรไนน์ุลกอรไนน์นี่เป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมไปพิชิตเมืองไหนก็ตามไปแล้วเนี่ยแทนที่จะไปโหดโหดแบบอเมริกาไปยึดอิรัก เพื่อจะยึดน้ำมันก็แท้ๆเลยมนะแต่เป็นไงวันเนี้ตายกันทุกวันนะสงครามยังไม่จบทุววันนี้ใช่ไหมเนี่ยนะแต่อยะแต่รุลก่อนในเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมเผยแผ่าศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ส่งอุลามาไปสอนไปสอนไปสอนคนก็เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงก็มีาศาสนาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดนะข้อที่สี่ เนี S <S <ess IS> ่ยยุ่ก็ไอ้ยะยะยุทธ์มายุทธเนี่ยเจาะเจาะกำแพงเจาะเท่าไรก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าจะให้สำเร็จนิยุทเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเขากล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์พรุ่นี้จะมาเจาะใหม่ว่านั่นเจาะสำเร็จเพราะขาดอินชาอัลลอฮ์นะครับเรื่องที่ห้าโทษของคนที่ดูถูกเย่ะเย้ยปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์ยึดเอา หลักการต่างๆของอัลลอฮ์มาเป็นที่เยอ่อเยยท่านเย่อเย้ยศาสนาเยอะเย้ยนบีนี่นะเขาเรียกเป็นศัตรูกับกับนบีคนที่เป็นศัตรูกับนบีนักข่ายขาดทุนไม่ใช่นบีขาดทุนนะคนที่เป็นศัตรูกับนบีนักขาดทุนอยายะฮุอัลตรงไนอินนะชาเนาะกะฮุวัลอาบตารแปลว่าอะไรแท้จริงศัตรูของท่านนั้น จะได้รับความขาดทุนยอย่างย่อยยับฉะนั้นคนใครที่ขวางสุนัขนบีนะขาดทุนหมดคนที่ไม่เอาสุนัขนบียเยอะเยอะสุนันบียเยอะเยอะอิสลามเยอะเยอะนบีมุฮัมมัดคนที่เขียนกระตูน ล, ล้อนบีมุฮัมมัดนั่นนะรับอิสลามไปแล้วมีหลายคนที่แอนตี้อิสลามแต่วันนี้หันมารับอิสลามมันเยอะแล้วนะเพราะอะไรครับ พอมพอม อ, อ, อ่นุราเนเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดเลยทคนที่อ่านอ่านุรานศึกษาอัานุรานเนี่ยอัยอลลอฮฺจะเพิ่มโอวบราระการกับชีวิตของเขเอาต่อมาข้อที่หกงานที่อัลลอฮฺทรงพอใจก็คืองานที่ทําอามัณทิซอและแล้วก็ทําแล้วเนี่ยไม่โอ้อวดอืดทาและทําเพื่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริงก็เรียกว่าใจอิคลาสอกที่สูดต่ออัลลอฮฺเหมือนกันน่ะถ้ามีคนตายนะครับ เราไปนมาจนาซาเนี่ยแนนนาซาเนี่ยนบีพูดว่า4ี่สิบคนหรือร้อยคนแค่นี้แหละถ้ามีคนนมาจนาซาให้คนที่เสียชีวิตเนี่ยนะมี4ี่สบคนถ้ามีอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่หัวใจอิคลาสบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รับบาเลยแต่ถ้าสี่สบคนไม่มีใครสักคนที่อิคลาต่ออัลลอ์นะ มาเพื่อเพื่ออวดอวดอวดอ้างอ้าง อ, างอะไรก็ตามแต่นะอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาเท่นั้นงานที่ประเสริฐที่สุดก็คืองานที่ทําความดีทําตามที่อัลลอฮ์สั่งทำตามโุนาหนาบีและยังไม่พอต้องหัวใจบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาละไม่มีคําว่าริยาไม่มีคำว่าโ อ, อ้อวดนะอายาเรื่องที่เจ็เรื่องสุดท้ายยังกระทบถวนนะน้ําในมหาสมทุทรทั้งเจ็ดอัลลอฮ์พูด น้ำย้ำหาสมุทรนี่นะทำเป็นน้ํำมึกแล้วก็เอาต้นไม้ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยทำเป็นปากกาตัดทําเป็นปากกาแล้วก็เอาปากกาเนี่ยจุมน้ำในสมุทรเป็นน้ำมึกบรรยายเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยบรรยายบรรยายอัลลอฮ์พูดแล้วว่าคุณบรรยายไม่หมดให้น้ําใน ม, มหาสมุทรทั้งเจดมหาสมุทรหมด บรรยาเรื่องของอัลลอ์ไม่หมดขอบคุณอัลลอ์สุภาพนาล้นี่เราจะรับความรู้เยอะมากเลยนะครับก่อนนี้สรุปให้พี่น้องฟังเอาวันนี้เรามาดูสูรที่สิบเก้านะครับเรียกว่าสูรธรรมยมมรัรมยมเนี่ยเป็นมะของใครมะของนบีอิซาอะลัยฮิสซาลามสรุปไปฟังกนิดหนึ่งอัลลอ์สร้างมนุษย์มานี่มีอยู่สี่แบบ เพื่อต้องการจะบอกให้มนุษย์รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่นะสร้างมนุษย์มีอยู่สแบบแบบที่หนึ่งสร้างนาบีอาดัมมาจากดินสองสร้างภรรยาของท่านเนี่ยมาจากซีโครงมีความสามารถไหมทุกคนเงียบหมดเลยยอมรับนบีอาดัมเนี่ยมาจากดินจริงๆยอมรับนางฮาวา ม, มาจากซิโครงจริงๆยอมรับแบบที่สสร้างนาบีอีซา ผ่านผู้หญิงไม่มีพ่อพอมาเจอตรงนี้ปั๊บไม่ยอมรับหาวะานาบีอิซาศักดิ์เสร็จวันนี้กราบนบีอสสิสลนเต็มหมดเลยอะไม่ใช่นบีอิสาไม่จะศักดิ์เสร็จนบีอิสามาในฐานะเหมือนนบีมุฮัมมัดมาทำอะไรมาเผยแผ่อิสลามมายุคนูน <ت> น้นนบีอิสาเนี่ยเอาหลอสร้างมาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى การที่สอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากน้ำอสุจิของผู้หญิงผู้ชายมาผสมกันอยู่ในมดลูกนี่แบบที่สี่ทำได้ไรกันเนะนี่ความสามารถของใครของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ตาะร้นานอับดุลบีอีซาก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อาดามก็ไม่ได้ใหญ่นางฮาว่าก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เรานี่มาจากน้ำอสุจิ อย่างนี้เป็นต้นท่านต้องนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาลาเยอะๆนะเอาวันนี้นะครับกาฟยายาอินซอดอย่าไปแปลเลยบางคนแบแปลนู่นแปลนี่ไม่รู้ว่าความหมายว่าแปลว่าอะไรว่าไงอัลลอฮ์เราอัลลอฮ์ลลลลรู้ดีที่สุดนะอ่า ذكر رحمة ربيك عبده ك ر ي ا จิ๊กหรูรหัติรับบิค عبده ذكريا อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์พูดดีมากนะครับนี่คือจิ๊กหรูรหัตินี่คือจิ๊กหรูหมายถึงการกล่าวถึงนะรหั เรื่องราวของความเมตตาความเมตตาของใครร็อบบิกรความเมตตาของพระผู้อภิบาลของท่านนี่อลัลลอฮ์ต้องการจะเล่าว่าฉันจะเล่าเรื่องความเมตตาของพระผู้อภิบาลของท่านก็คืออลัลลอฮ์นี่แหละมีกับใครที่ได้มีต่ออับดดะฮูเบลของพระองค์คนหนึ่ง zakaria ที่ชื่อว่า ザกากรีอัลลอฮฺอักบัด์อัลล์ได้ประทานรัฮมะประทานความเมตตาให้กะเบาของอัลลอฮ์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าザการีอัวเป็นกรณีตัวอย่างเท่านั้นเองเพื่อให้พวกเราที่อ่านกุรานเนี่ยนึกแล้วเราเป็นเบาอัลลอฮ์ไหมเป็นทุกคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดนี่หรือที่ชมรายการอยู่ที่บ้านถามเป็นเบาอัลลอฮ์ไหม เป็นแล้วต้องนึกเออเอลัลลอฮ์นี่ประทานเมตตาความดีรอหมัดให้กับเรามีไหมเยอะเลยอะอะไรบ้างก่อนนอนนะให้นึกเมื่อบ้านนี้ของเราใครให้อ่ะอลัลลอฮ์ให้ภรรยาเราเอาลัลลอฮ์ให้อะนี่ลูกเราเอาลัลลอฮ์ให้อ่ะ รถอยู่ข้างนอกอ่ะสามคันอัลลอฮ์ให้อ่ะสุขภาพแข็งแรงวันนี้อัลลอฮ์ให้ท่านนึกอย่างงี้เนี่ยนะโอกาสที่จะนึกถึงความดีของอัลลอฮ์เยอะมไหยเยอะั้นนึกถึงอัลลอฮ์ทีไรตัวนึกว่าอย่างงี้อัลลอฮุมะลกัลฮัมดุวะละกัลชูครโอ้อัลลอฮ์การขอบคุณเป็นของอัลลอฮ์การสรรเสริญทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์นึกถึงภรรยา อัลลอฮ์อัลลอฮ์ขุมมัลลากัลฮะมดูวัลลกัลชูครเน่คุณมาดีมานั่งอยู่นี่ภรรยาเสียชีวิตมาอาทิตย์ที่แล้วทำยังไงละนี่ถ้าคนนี่นะถ้าอยู่แล้วไม่ตายนะเดือะอัลลอฮ์ Allah, ความตายนี่เป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่เหลือเกินบางที่เราทำอามันฑิตซ้อแลกเยอะๆพี่น้องอยากจะได้รางวาัลตอบแทนนะได้ตอนไหนอ่ะ ความบนดุนยานี้เนี่ยนะอร่อยยังไม่ให้รางวัล น, นะอร่อยเพียงแต่ทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบแล้วให้ให้คะแนนตามเอา้าให้มีภรรยาเสียชีวิตต้องการจะดูสิมัธดีเนี่ยทําตัวยังไงฉันจะได้ให้ให้คะแนนเขานะเอา่าลูกๆมีอยู่สองคนลูกชายทําตัวยังไงอเลาจะให้ให้คะแนนล่ะ ระวังที่อยู่เนี่ยถ้าทําดีตามที่อัลลอฮ์สั่งประทานเนี่ยอมหมดให้ประทานของรางวัลยังไม่ให้นะ <c oughs> ให้มาให้มาให้คะแนนเนี่ยให้ให้ให้ใหดูสิว่าเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไหมเขาชูโคตต่ออัลลอฮ์ไหมไม่มีอะไรหรอกที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นเรื่องเลวเนี่ยไม่มีเรื่องอัลลอฮ์จะทดสอบมนุษย์ทุกคนแต่นี่พวกเราเนี่ยไม่ชอบการทดสอบใช่หรือไม่ใช่ เรื่องทดสอบชอบไหมไม่ชอบอ้าวให้ป่วยชอบหรือไม่ชอบนี่ใครชอบทุกคนเองให้จนชอบไหมให้ภรรยาตายชอบไหมไม่มีใครชอบอ่ะแต่ถ้าอ่านจากฮะดิษแล้วนะทุกอย่างที่อัลลอง์ให้เป็นของดีหมดเลยอะ่ะมากอลักตาห า, าบาติลาเดกุมอ่านเลยนะฉันไม่ได้สร้างอะไรบนโลกดุนยาใบนี้ สร้างแล้วเนี่ยจะทําความเสียหายนะ่ะไม่มีมีแต่เรื่องดีทั้งหมดแต่เราเราคิดไม่ถึงเองทั้งหากแหละเราคิดไม่ถึงเองอย่างผมเนี่ยงูกัดมาสามเดือนที่แล้วที่สะอาดหน้าบ้านก็สะอาดไม่มีงูมันจอดอยู่ตรงนี้เราก็ไม่เห็นก็ไปเหยียบเข้ากัดปุ๊บทั้งทั้งที่อ่านดูอ่านะ่ะเช้าเย็นนะดูอานที่ว่ามื่อกีเนี่ย อาอูบิคาลิมาติลาฮิตามาติมิสซาิมาคอรักุสมิลลาฮิลดาลลายอดุูมาอัสมาฮิชาอูมฟิลอาร์ิวาลาฟิสตามะบะวะซามีอุลลัลิดูอาเมให้งูกัดไม่ให้สัตว์้ายมากัดแทกกัดทำไมแล้วก็นึกผมเข้าบ้านเลยวันนั้นงูกัดไปอ้ามน้ำน้ำมาตายยาหลอดตายแน่ๆแต่งานนี้ก็พาไปหาหมอไปนั่งงออยู่สองคืนอ่ะ อาการไม่ออกเราเลยทำอยู่ไม่เลิกลลลใจมันเรียกว่าตายแน่ตายก็แล้วก็นามาสดปกติยึดรุ่น ล, ล้อปกติอ่านคุณอ่านปกติอยู่ไม่เลิกนี่เป็นการทดสอบจอากอัลลอฮ์ทั้งหมดจะดูว่าเมื่อถูกทดสอบแล้วนะเราเนี่ยอยู่กับอลัลลอฮ์หรือเปล่าแค่นั้นนบีโซลัยมานขอยกตัวอย่างนิดนึนนออนง นบีสุลัยมานเป็นนบีที่คนเดียวที่อัลลอฮ์ให้ให้พิเศษนะเป็นการทดสอบนะให้สามารถ <c oughs> ฟังภาษามดภาษาสัตว์เนี่ยนบีสุลัยมานฟังได้หมดเลยพอเข้าไปในในปา่นานบีสุลัยมานเนี่ยสั่งมดมาใช่ไหมดเนี่ยหัวหน้ามดสั่งลูกน้องมด บอกว่าอุดคูลูมาซาขีนาคุมหมดเอ้ยเข้ารู้ให้หมดเดี๋ยวนบีสุลัยมานมาแล้วก็ทหารของนบีสุลัยมานเดินผ่านมาจะมาเหยียบพวกคุณเข้ารู้ให้หมดนบีสุลัยมานได้ยินน่ะยินภาษานี้ทําไงซูญต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาละนบีพูดเองอาอัฟุลอัลอาชกุลฉันจะขอบคุณอัลลอฮ์ คือฉันจะทรยโต์ต่ออัลลอฮ์ไม่อยู่ที่เราอะ่ะเมื่อเราได้รับเนี่ยอามัดม า, มาเป็นของดีๆที่เราพอใจไม่มีอะไรดีเท่ากับขอบคุณอัลลอฮ์การขอบคุณด้วยการสุญญุต่ออัลลอฮ์สุภาพนาบูตะอาลาเยอะเลยจะมีคุณแม่เสียชีวิตทําไงไม่มีอะไรดีถ้าก็นั่งขออุอาต่ออัลลอฮ์ดูอาต่อไหนอ่ะดูอาหลังจากนามาดดีที่สุดดูอาในในสุญญุดีที่สุ ด, ด เพราะนาบีสอนบอกว่าวาจดุดลซอเลหุญะดอุลหูคนที่ตายนี่นะลูกที่ซอแรกตอนนั้นแหละที่ทำความดีแล้วส่งผลบุญให้ไปถึงแม่หรือพ่อที่เสียชีวิตอยู่ในสุสานนั้นถึงหมดเลยด้านลูกที่ซอแรกก็คือลูกที่นามาโคพายเวลาลูกโดยชอบบริจาค ใช่ไหมลูกที่อ่านอัลกุรอานนมาฎงานอื่นก็ทำไปแต่ว่างานที่อัลลอฮฺสั่งทำผลบุไปถึงแม่ไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตนอนอยู่ในกุูโบนี่เป็นกรณีตัวอย่างนะครับซีครูราะห์มาติรับบิการบดาหูザคารยาจฉันจะกล่าวถึงเรื่องราวของザการิยาเรื่องราว ถึงความเมตตาของพระผู้อภิบาลของท่านที่ได้มีต่อบ่าวของพระองค์คนหนึ่งชื่อจักกริยาจักกริยาเป็นใครในตันาเซต์อธิบายดีนะจักกริยาก้านาบียนเป็นนบีคนหนึ่งของอัลลอฮ์นบีทําหน้าที่อะไรก็มาสอนศาสนาไงท่า น, นใครที่มีอาชีพอะไรก็ตามอย่าลืมต้องสอนศาสนาด้วย สอนให้ใครลูกก็สอนให้ภรรยาก่อนสอนให้ลูกๆอ้าวสอนให้พ่อให้แม่บางทีเราอยู่ห่างพ่อห่างแม่วันนี้เราสนใจศาสนาแล้วนะของดีๆที่เราได้รับจากอิสลามเนี่ยเอาไปเล่าให้พ่อฟังให้แม่เราฟังให้ลูกเราฟังให้หลานเราฟังบางทีลูกอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดส่งเมสเซจไปดิวันนี้พ่ออ่านกูอ่านพบอายาหนึ่งดีมากเลยลูกเอ้ส่งปึ๊บเข้าไปลูกก็อ่าน เนี่เป็นการเผยแพร่อิสลามถามว่าอิสลามดีไหมดีมา ก, มากเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงพอใจมีอยู่ศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์ทรงพอใจวกานนะนบียันมินอัมบียะอิบานีอิสร อ, อ, อีเพิ่งรู้เลยว่าจากรียาเนี่ยเป็นนบีอยู่ในกลุ่มไหนาบานีอิสร อ, อีแต่นบีมุฮัมมัดกับนบีจากรียามเหมือนกันนะ นบีสักกรียาเนี่ยมาสอนคนเฉพาะกลุ่มนะกลุ่มไหนบันิอิสลามส่วนนบีมุ hammad ที่อัลลอฮ์ส่งมานั้นมาสอนคนทั้งโลกนะกูอ่อาตอนตรงไหนว่ามาอัลสละเนละราะหมาติละลาอิเรามาจะส่งนบีมุ hammad มาเพื่อคนอาหรับอย่างเดียวไม่ใช่ส่งสักกรียามาเพื่อสอนพวกบันิอิสรอีมใช่ นบีมุ h a m ม oh ัดเป็นคนอาหรับไม่ได้สอนไม่ได้ส่งนบี ม, มาสอนเฉพาะคนชาวอาหรับจะสอนคนไทยด้วยคนฟิลิปปินส์ด้วยคนจีนด้วยคนอเมริกาด้วยยุโรปด้วยสอนทั้งหมดเลยเขาเรียกว่ายูนิเวอร์สใช่ไหมอย่างเงี้ยต้องเข้าใจนิดนึงนะทั้มดุลิล่ะมัสฮิ บ, บุคอรีอธิบายว่าอาชีพของนบีบกรียนะเป็นอะไรเป็นลองจำได้ไนัจรอ เป็นช่างไม้ยากุลูมีงานทำลยยาดีฮีฟิตจาราฟินฟินฟินนัดจาราเขามีอาชีพเนี่ยเป็นช่างไม้หาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวตัวเองด้วยอาชีพช่างไม้โอ้โหเห็นไหมเห็นยังไม่มีเงินเดือนจากอัลลอ์ให้อ่ะนี่เป็นการทดสอบมันยิ่งใหญ่ไหมทดสอบแค่นั้นขอบคุณอัลลอ์่นั้นเราต้องมีอาชีพด้วยกันทุกคน คนนี้อาชีพสาปัตย์เรียนไปได้หางเงินดิสกีมาอย่าลืมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตัวเองอย่าลืมนะเด็กกำพ้ายากจนมีมาในโลกนี้มีต้องดูแลเขาได้มาสามหมื่นยกตัวอย่างให้พ่อให้แม่ไปหมื่นหนึ่งเหลืออีกสองหมืนให้สุราเดือนละร้อยหรืออาทิตย์ละร้อยให้เด็กกำ้าอาวห้าร้อยให้โรงเรียนหนึ่งรอยก็ต้องมีกฎกติกา ดังนั้นเงินที่มีบรกิการหนึ่งก็คือเงินที่ได้มาแล้วเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ตัวเองถึงจะพ่อแม่รวยเราเป็นลูกอะ่ะต้องนึกอ๋อเนี่พ่อบังเกิดเรามามะเราบังเกิดเรามาเลี้ยงเราต้องจบจบปิญญาตรีปิญญาโทนะถ้าพ่อแม่ไม่สนนุนใครจะสนับสนุนตัวเองอยากจะเลิกจะจะเที่ยวอยู่แล้วแต่ น, นี้แม่คอยดูแม่คอยบอกแม่คอยเตือนต้องนึกถึง ขอบคุณอัลลอฮ์สุลตานหุวดะอัลลนะนบีละกอริยามีอาชีพเป็นช่างไม้น่าได้ความรู้เยอะฉันรา้วต้องมีอาชีพแต่ต้องเป็นอาชีพที่ไรนะที่สุดจริตอาญาเป็นอาชีพที่สร้างอาชีพที่อย่างขโมยทําทำไมหลอกลวงคนอย่าไปทําะไหมอาชีพที่อาชีพตามพิ่านนบีมัดดุสอนอาไว้นะครับ ذكر رحمة ربك عبده ذكرية รำลึกถึงอะไรนะความเมตตาของพระผู้อภิบาลของท่านที่ได้มีต่อบ่าวของพระองค์คือซักกะรีย์นะครับทำไมต้องกล่าวว่า عبد หูละ่ะไม่ต้องสิด อธิบายดีนะอับดะหูทําไมอัลลอฮ์ใส่คำว่าอับดะหูซักะริยาเบาวของเขาเบาของพระองค์ใส่ทําไมคําว่าหูอับดะหูเพื่อเป็นการกันว่าอิบอราฟต์อัลชีฟีเพื่อเป็นการให้เกียรติ์ให้เกียรติกับนบีซักะริยาเรียกว่าซักะริยาเนี่ยเป็นเบาของพระองค์ เหมือนกับว่าลูกลูกของฉันโอ้ลูกดีภูมิใจน่าดูเลยลูกของฉันถามว่ลูกใครลูกของฉันลูกดีใจไหมดีใจอ่ะเหมือนกันสักการิยาเป็นใครบเาบาของฉันอัลลอฮฺพูดนะนี่เบาของฉันนะเราเองก็ต้องขอบคุณเาลาเราเนี่ยถ้ถ า, มถถามีชื่อเราอยู่นะอลัลลอฮฺก็ต้องชม ว, ว่า คุณเฉลิมนะ่ะเป็นเป็นเบาของฉันนะชื่ออุมาศเบาของฉันหรืออับดีอย่างนี้เป็นต้นเลยขอบคุณเอาละภรรยาของฉันภรรยาก็สบายใจอะ่ะเพราะว่าวันนี้นะบางทีผู้หญิงแต่งงานไอ้พ่อใหญ่ผู้หญิงมีลูกอะ่ะหาสามีไม่เจอมีเปล่าพอลูกออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าลูกใครอะ่ะผู้หญิงก็อายเด็กก็อายอ่ะดัง ก, การประกาศอะไรนะเชื่อถแพ ทำอัติก็เพื่อประกาศให้ชาวบ้านรู้านีลูกของฉันในภรรยาฉันนะเพราะหลาตัวหลายคนมีลูกแต่ไม่มีใครรับผิดชอบมาอัน <c oughs> นี้เป็นต้นฉะนั้นขอบคุณอัลลอ์นะครับที่เราได้ชี้ชีวิตว่าต้องผูกพันกับอัลกรุรอานตลอดเวลานะครับเราต่อมาอายาที่สองอิสนาดฮุรอบบาฮูนิดาอันขฟียะ อิจนาด ahu ربه نداء الخفياء อิจแปลว่าเมื่อนาด ahu แปลว่าวิงวอนเมื่อนาบีสากรียาวิงวอนวิงวอนกับใครอลัลลอ์เน้นเลยเพราะพวกเราในเวลามีปัญหาชอบวิงวอนขอตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นจากอลัลลอฮ์เยอะไม้มเยอะมากเลย มาคืนเนี่ผมไปในยุทยาอยู่ใกล้ๆกับตะเกียเพราะเราพูดตะเกียรเรื่อยๆนะเน้องพี่น้องเราไปหาโตตะเกียก็เยอะไอ้ไปนะไปได้แต่อย่าแต่อย่าไปขอจากโตตะเกียเพราะคาุณอ่านมีสอนว่าถ้าจะขอเนี่ยขอจากใครนะรบบาหูนบีสากรียาทำเป็นแบบไว้ นบีสุรตยาขอพรขอวิงวอนกับใครพระผู้อธิบาลของเขานนั่นคนดีอลัลลอ์เล่าในกักีุลอ่านสอนเราให้รู้ว่าถ้าจะขอต้องขอจากอาลัลลอฮ์องเดียวขอแบบไหนการขอมีอยู่สองอย่างขอแบบเข้าไมโครโฟนกับขอแบบอะไรนะเสียงเงียบเงียบเอามาดูสินบีกกริยาขอแบบไหน นิดาอันคอฟีาด้วยการวิงวอนแบบค่อยค่อยเห็นยังนี่อัลลอ์สอนหมดอ่ะแล้วเราขอดูอาต่ออัลลอ์เนี่ยถามว่าขอแบบไหนดีที่สุดนี่อุลามะทั้งสองกลุ่มนะอุลามะฟิก็กกับอุลามะตัฟซีกรุรานคนอธิบายตัฟซีุรานทั้งหมดทั่วโลกฟุกอหฮะอธิบายว่า การขอดุอาของมนุษย์ที่ดีที่สุดก็ต้องขอแบบเบาๆดีไหมดีฉะนั้นขออุทอศอาให้พ่อให้ใครใครคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วขอเบาๆยิ่งขอตอนตีสีก่อนนะนมาตะซูโบนะอัลลอฮฺขึ้นมาก่อนอัลลอฮฺมะฟิสลิุมีอัลลอฮอธิบายขอดุอาให้อภัยพวกธมะฉันด้วย พูดอาหรับไม่ได้พูภพ้ภระสานเก็มอัลลอฮฺฟอกิฟมาให้มาเถอะอะไรก็ไปใช่ไหมภาษาไทายรู้ไหมรู้อังกฤษ ร, รู้ไหมรู้อาหรับรู้ไหมรู้หมดนะอัลลอฮฺพระยะโทษให้มาฉันด้วยมาฉันเนี่ยเรียนดูฉันมาอะไรมาส่งเรียนหนังสือจบขอบคุณอัลลอขอค่อยๆดีที่สุดนั่งยี้เป็นตน้นนะ อาตมาครับอิสนาดาัหุรบบะฮูนิดาอันขอฟิยาเมือ่อซากริยาวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของเขาถามว่าขอเรื่องอะไรคำตอบอยู่ในตำสินแบบนี้ขออยากจะมีบุตรนี่เข้ากับพวกเราหลายคนเลยแหละพวกเราอยู่ไม่มีบุตรก็มีเยอะจิโทรศัพท์มาปปหาหลวงาติบุตรไม่มีทำไง พวกขอเป่าก็าขอบ้างไม่ขอบ้างไปหาหมอที่โรงพยาบาลทํายิฟไม่สําเร็จก็มีอ่ะบางคนสําเร็จเหมือนกันขอใช้เงินเยอะเหลือเกินอ่ะนั่นมาดูนบีสักดิยาขอโนอาอยากได้บุตรโดยการวิงวานของเขาแบบลับๆทาไมต้องลับๆด้วยอ่ะเพราะลับเนี่ยเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นสุนนะของนบีทุกคนแตนี้อีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่านาบีสักดิยาเนี่ยอายุเยอะแล้ว แล้วก็เมียก็เป็นเป็นหมันนะ่ะถ้าขอยาลออยากได้ลูกสักคนคงจะหัวเราเยาะดูว่าแกป่านนี้ยังจะมีลูกอีกหรนอูใช่หมพอมีผู้ชายบางคนเนี่ยนะพูดเหมือนกันนะ่ะพาลูกเดินอายุหกสิบห้าเจ็ดสิบเนี่ยลูกก็ต้องขวบคงเร่อายนะคนจะว่าดูกแกหัวงกพวกคนคนท้ายนว่าจะหมดแล้วนะมีลูกตอนแกก็ด่าเขา ไม่มีก็ว่าเขาสารพัดแหะพระเ้าก็ต้องทําใจระหว่างเรากับอัลลอฮ์สุบฮานาบูวาตาลาถามว่านาบีซัการีย์อยาวิงวอนตอบพระผู้อภิบาลของเขาอยากได้บุตรด้วยการวิงวอนแบบค่อยๆโดยลับๆนะเกรงผู้คนจะรู้หัวเราะเยาะเพราะเขาแก่แล้วนี่เป็นคำอธิบายของเตาเซกุลอ่านทั้งหมดนะครับแต่กุลอ่านพูดเป็นนิดเดียวนะอิสนาดาฮูรอบบฮู เมื่อซากริยาวิงวอนต่อพระพุทอบิบานของเขานิดาอันขอฟรียาด้วยการวิงวอนแบบค่อยๆเพราะฉะนั้นในทับซีดอธิบายบอกว่าเขาลุกขึ้นอ่ากอลบะดุสซาลฟกอมามาในละอิลีอัลัยฮิสลามวะกอดน้าอาชาบะฮูคนที่จะขอดูอ่านลับๆเนี่ยนะ ให้ลูกขึ้นตอนกลางคืนขณะที่คนเขานอนหมดอาในบ้านเรามีอยู่หกคนนอนกันห้าแล้วตื่นมาคนเดียวแล้วมามานามาแล้วขอดูาอาตอเราอยากได้อะไรก็ขอจกอักเอาเราถามว่าอยากได้ลูกนะคนแก่ๆนะบางทีมก็ได้ยูกลากเย่าได้ลูกยากเหมือนกันแต่เอาเรให้ไหมให้เอาต่อมาครับทำไมจังขอจากจาก จากอัลลอฮ์ด้วยเพราะอัลลอฮ์นั้นเป็นเจ้าของจะให้ใครหรือไม Uma, ่ให้ใครอยู่ที่อัลลอฮ์ตาละเพียงองค์เดียวเท่านั้นให้ก็เพราะการทดสอบไม่ให้ก็เพราะการทดสอบแล้วก็ดูว่าคนที่ลูกไม่มีเงินเยอะเอาไปทําอะไรแล้วก็ดูอีกอ่ะคนนี้ลูกเยอะเงินน้อยก็ดูอีกเห็นไหม ให้คะแนนกะนั่นสังคมต้องมีมีมูลนิธิเอาไว้ดูแลเด็กกำพรายยากจนตรงนี้แหละเป็นการช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกเยอะแต่มีเงินน้อยให้พวกเราได้มีโอกาสได้บริการดูแลซุ่งกันและกันอายะที่อายะที่สี่นะกอลารับบินนีวะฮานลอัลมุมินนี ว่าชแต่ละรัศย์ชัยบาวลมวลมตะุมช่ยบาวลมอะคุมด้วยการอิ ش รับชักย์บอกว่า ب บีสุลตานะนบสุลตานะนบีสุลตานะนบีสลตานะนบีสุลตานะ รบบี้่าแต่พระผู้อภิบาลของฉันเอยอยินนีแท้จริงฉันโอโ๋อนะแท้จริงฉันวาฮานาลาซมูวาฮานาะแปลว่าอ่อนแอวฮานาะแปลว่ากรนนะอ่อนแออะไรอ่อนแอครับลาซมูลซมูแปลว่ากระดูกกระดูกของฉันอ่อนแอแล้ว ในร่างกายของเราเนี่ยอัลลอฮ์เอเ อ, อยู่อย่างเดียวกระดูกอุตมาถามว่าทำไมทไมาําไมอัลลอฮ์ไม่ได้เออยูหูทำไมไม่เห็นว่าอยู่ผมทําไมไม่เออย์อ่ะเออยกระดูกก่อนเพื่อนเลยอ่ะต้องการจะบอกให้รู้ว่าในร่างกายของคนเนี่ถ้ากระดูกแข็งแรงนะอย่างอื่นแข็งหมดถ้ากระดูกอ่ อ, อนช่างกอย่างอื่นมันก็เริ่มอ่อนหมด ปัะธานทกีก็ดูอโลสะดึกคือเสาหลักเลยเหมือนกันถ้าจะพูดเรื่องนมาศอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในนมาศก็คือในเรื่องอับวบลพูดผิดเรื่องอิบาดะทั้งหมดอะไรสำคัญที่สุดเรื่องอิบาตดะเนี่ยนะนมาศสำคัญที่สุดในเรื่องของอิบาตดะร่างกายของคนนี่นะพูดในเรื่องความแข็งแรงอย่างเดียวเนี่ยนะ อัลลอฮ์มองที่ไหนกด็ดูบางคนกระดุดงพูนจบไหมจบกระโดงพุนแล้วจบหมดท่านขอถวายต่อเราให้เราเป็นคนที่แข็งแรงถางว่าแข็งแรงเพื่ออะไรเหนียดอย่างเดียวแข็งแรงเพื่อทำอิบัตะต่ออัลลอฮ์สุบฮานาบางคนขออยาขอให้รวยอุลมามะแนะนำดีก็ว่าไม่ขอให้รวยแต่ไมขออย่างนี้ อย่าเอาล่อให้ฉันได้มีคริสกีได้จ่ายสกาดเยอะๆเนี่ยพูดดีไหมก็ขอให้รวยเหมือนกันนั่นแหละจะใช้ภาษาดีอย่เอาล่อให้ฉันได้มีโอกาสได้จ่ายสกาดเยอะๆรวยหรือเปล่าก็ต้องรวยอ่ะแต่ไม่พูดคําว่ารวยทุกมาก่ก อ, อะไรนี่วิธีการใช้ภาษาเนี่ยสาคัญอย่าเอาล่อให้ฉันได้จ่ายสกาดเยอะๆอย่า ตอนนี้บางคนมีเงินเยอะนะ่ะเนีืดฝากเอาไว้เอาไวนะ้ยังไงนึกนะจะเอาไว้รักษาตอนแก่ๆไม่มีโอกาสจะจ่ายส ก, กาดเลยนะก็รออย่างเดียวเมื่อไหร่ก็จะป่วยอยากจะเอาเงินที่มีอยู่เอามารักษาหาหมอเนีืดพิษเนียดไม่ยาวรอมีเงินมีทองเพื่ออะไรนะเพื่อจะดูแลคนยากคนจนดูแลพ่อแม่อลรอ ยิง่งดูแลคนยากคนจนนะอัลลอฮ์ให้สุขภาพดียิ่งถือซึ่งอดบ่อยๆสุขภาพดีนามาตไม่ขาดสุขภาพแข็งแรงหัวใจอัลลอฮ์ชุ่มชื่นตลอดเวลาเอาต่อมาครับกอลารบบีอินนีวาฮานลอัุมเขากล่าวว่าข้าแต่พวกอธิบาลของฉันเอ่ยกระดูของฉันเนี่ยอ่อนแล้วนะครับ ว่าสแตละเราซชบะเราะซูแปลว่าศรีรษะที่ที่หมายถึงผมและผมบนศรีรษะของฉันนั้นเป็นยังไงใช่บะมีประกายงอกแล้วเรื่องแรกเรื่องกระดูกอยู่ข้างในมองไม่เห็นแต่เรื่องที่เห็นชัดๆก็คือผมเนี่ยผมงอกนั่นพี่น้องคนที่ผมงอกไม่ต้องไปย่อม ป่อยงอๆแปบนี้น่ะวันแรยืดสองกระจอกทิ้งกันนึนะอออ ก, น ก, นนกอย่าเอารอฉันแก่แล้วนี่พอแก่แล้วนึกอะไรโอ้น้ำมานยังไม่ครบโอ้ยาำไมจา่ะเอารอให้ผมงอเลยมายังไม่ครบเลยนะวันแค่สาเวลาเองแต่ตอนสุบบก อ, อิชาพออยู่กับเมียเมียเมียเมียดีพี่น้ม า, านยังขานอยู่มลยเตือนนมานนมานมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่งงานกับภระญาดีนะ สุบ๊ะปุกใช่ว่าแมธรรมดานั่นไม่เคยนหมหาสุบหรน้มัเจ็ดโมงพยาดีนะ่ะก็ปุกสุบะจัดนงน้ำให้ด้วยบอกพี่อาบน้ำจนน้าจะเย็นอันนี้ก็ไม่เค ย, ไ ม, เคยไม่เคยตื่นเท่าไหร่เราแต่งเมียดีเมียบังคับเมียขอร้องอต้องตื่นน่ะตามธรรมดานะ่ะเป็นมามามตลอดพอแต่งงานได้มีโอกาสได้เป็นอิหมามดีไหมทำดย ถ้าภรรยาดีอย่างเดียวเนี่ยนะอย่างอื่นดีหมดช่วยได้เยอะเลย o, อัลลอฮฺอากรบันตอนธรรมดาอยู่ซอกหลังเข้าโซรเราเข้ากอนเพื่อนจะอยู่ซอกหลังแต่พอได้แต่งงานกับภรรยาดีพี่ๆเป็นอิหม่ามแม่หนูหน่อยสิต้องท่องกรุงอาลัย ว, วันนี้อย่างน้อยก็คุณวลวลลอฮฺก็ยินดีทํำดีๆแล้วเอาเราร้องห้หมดพี่น้องให้เราคิดเกี่ยวกับาศาสนาเยอะๆก็แล้วกันนะ วัชตาลาโระสุเชย์บาะอะไรนะศิษะของฉันหมายถึงผมของฉันบนศีรษะของฉันนั้นมีประกายงอกแล้วก็หมายถึงแก่นะแก่แล้ววลัมตะกุมบิดวะอิคร บ, บิชากิยา<ส>การวิงวอนขอพรของฉันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะ นี่เออยนะเอยให้อัลลอฮ์ฟังเลยนะนบีสากรียาเออยดีอัลลอฮ์เล่าหมดเห็นไหมการวิงวอนขอพรของฉันต่อพระองค์นั้นไม่เคยไร้ผลอัลลอฮ์ให้มาตลอดนี่ชมไหมชมอัลลอฮ์อานารย์พี่น้องครับนี่เป็นวิธีการหนึ่งที่ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ดูการชมอัลลอฮ์ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาตลอดครั้งนี้นะขอพิเศษเลยนะขออยากได้ลูก เอาถามว่าได้ลูกมาทำอะไรอ่าเดี๋ยวทำอธิบายต่อมาอ่าต่อมาครับทำไมอ่าอุลมะาถามว่าทําไมต้องเอากระดูกมาพูดเพราะกระดูกเป็นเสาหลักอ่าแล้วก็เป็นการแสดงถึงความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮสุบฮานาหฺวาจาละนะอืมทีนี้ การอ้างว่าเมื่อก่อนนี้ขออุทิศต่ออัลลอฮ์ทรงทร ง, ง, งรับครั้งนี้อย่าอาลัลลอฮ์ก็ต้องรับดุทิศของข้าพเจ้าด้วยเป็นการขอพร้อมอลัลลอฮ์นะใช่ไหมใครว่าวอิลลาหมายถึงยิ่ยิ่ยยร้องด้วยอย่างดีอย่าอย่ารอาาฉันจะได้ลูกอย่ารอาาถามว่าลูกมาเพื่ออะไรมาดูแลอะไรอ่านดูต่อไปนะครับ وإني خفت الموالي وإني خفت الموالي يمو وراي وكان تمرأتي عاقرا فابلي من الدن كواليا เขาบอกการอ้างว่าอัลลอฮ์เนี่ยอะไรนะ เคยรับดูอาของฉันนี่ก็เป็นเป็นเป็นเป็นวาซีแล้วเป็นตะวันซุลเป็นอ่างฉันเขวขอมาหลายเรื่องเลยอัลลอฮ์ให้หมดขอให้เป็นนู่นเป็นนี่อัลลอฮ์ก็ให้ขอให้ฉันมีภรรยาอัลลอฮ์ก็ให้ขอให้มีที่ดินก็มีมีมาหมดแล้วยังขาดอีกอย่างหนึ่งอยากได้ดูให้เถอยาอัลลอฮ์นี่เป็นการอ้อนวอนนะครับที่ดีที่สุด ต่อมาอายาที่ห้านะพี่น้องว่าอินนีคิฟตุลมาวาลียที่ฉันขออยากได้มีลูกเนี่ยฉันกลัวว่าอ่าฉันกลัวคิฟตู่แปลว่าฉันกลัวว่าอินนีคิฟตูฉันกลัวอัลมาวาลียหมายถึงาญาติของฉันคนาญาติของฉันญาติญาตพี่น้องของฉันนี่ห่วงใครเนี่ยห่วงพี่น้อง ห่วงญาตินี่เป็นแนวให้เราคิดนะถ้าจะห่วงนะห่วงกครห่วงญาติห่วงเรื่องอะไรมิวเวโร อ, อีหลังจากที่ฉันได้ตายไปแล้วหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแล้วฉันห่วงคนข้างหลังซึ่งเป็นพี่พี่น้องน้องญาติญาติของฉันกลัวเรื่องอะไร กลัวว่าเดี๋ยวไม่มีคนมาสอนศาสนานี่เนียดอยู่อย่างเดียวตอนนั้นเองเรื่องศาสนาเรื่องใหญ่นะครับวากานาติมรอตีอาคิโรแล้วก็ภรรยาของฉันอ่าภรรยาของฉันนะอิมรอาตีเนี่ยนาผู้หญิงของฉันนี่ภรรยาของฉันเป็นอะไรอาขีรน เป็นยงไรหมันน่ะเป็นหมันภรรยาเป็นหมันด้วยอลอดูสิโหนะ่ะสามีแกภรรยาเป็นหมันโอกาสจะได้ลูกมีไหมไม่มีนะถ้าไม่พึง่งถ้าไม่พึ่งอัลลอ์เนี่ยพึ่งหมอได้ไหมไม่มีสิทธ์เลยนะพึ่งโรงพยาบาลดังๆก็ไม่มีสิทธ์นะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถให้ภรรยาที่เป็นหมันนั่นหายหมันได้ไม่มีสิทธิ์ครับ แต่พออ่านคุรานอาย่านี้โอ้มีสิทธิ์ท่ามีทางค่ะใครนอกจากหมอแล้วใครอัลลอฮ์สุฮาหนะฮุวาตังฮลานี่ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุฮาหนะฮะลาห์นะครับวกานาติมรอติอาติรอฟาฮบลีมิลลาดุมกะวาลียาดังนั้นขอพระองค์ฮาบบลีได้ทรงประทานให้แก่ฉันนี่ไหม ทบาลีพระประธานในกระชั้นอ้อแล้วขอแบบนี่เป็นการสอนอาตีนดาพวกเราวันนี้สอนอาตีนดาให้เราเข้าใจว่าขนาดดุญยาช่วยไม่ได้แล้วใช่ไหมผู้หญิงเป็นมันใครช่วยได้โรงพยาบาลต่างๆช่วยได้ไหมหมดสิทแต่ไม่ตันกุอาญาณาเจ้าว่า คนมุสลินถ้าอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะ อ, อัลลอฮ์ครับปะทานอะไรนะคนที่มุตตะกีนต่ออัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์จะไม่ให้ทางตันเลยนะเรื่องตันไม่มีมีช่องว่างช่องแรกเห็นเลยอุมโมงค์ที่ปลายอยู่นะสว่างฉันเห็นแล้วจะเห็นช่องแล้วฉะนั้นคนที่เป็นมุมลินคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์นะครับเขาจะไม่มีคําว่าตันในิของเขามีทางออกตลอดเวลา ทั้งๆที่แกแล้วเมียเป็นหมันอยากได้ลูกนี่ประกาศให้ชาว บ, บ้านรู้ว่าอัลลอะ์ฉันน่ะมีความสามารถจริงๆฟาฮาบลีมิลาดุงกาวลียาดังนั้นขอพระองค์ได้ทรงประทานให้แกฉันจากพระองค์ซึ่งทายาทคนหนึ่งด้วยเธอวลียาขอลูกสักคนขอจากใครขอจากอัลลอฮ แค่ท่านพี่น้องคนที่เป็นหมันอยู่วันนี้เนี่ยนะทำตัวให้ดีแบบนบีสุคริยาสิโอกาสจะมีลูกมีไหะมีแต่ต้องดีนะถามว่ามีลูกว่าเพื่ออะไรคำตอบมันมีอีกอนะ่ะเอาตับสิท์อธิบายดีนะเขบอกฟสซาอัลลอฮฺว่าดัดันยาคูน่นบียนันที่เขาขอลูกนั้นเพื่อให้ลูกนั้นมาทำงานศาสนาแทนใครแทนพอ่อ ลราคออย่างนี้อลัลลอฮ์ไม่เมตตาด้ะอัลลอฮ์อักบารนึกอย่างเดียวนะลูกเรามีแล้วเนี่ยให้ลูกเนี่ยมารับผิดชอบงานศาสนาของอลัลลอฮ์คนในหมู่บ้านไม่เอาศาสนากันหมดแล้วมีอยู่ครอบครัวเดียวก็ครัวเรานี่แหละถ้าอลัลลอฮ์ไม่ให้ฉันตายเราจบนะฉันก็ห่วงญาติี่น้องฉันเนี่ยไม่เอาศาสนาแบบนบียาคูบเหมือนกันนะ่ะตอนนบียาคู ป, ป่วยหนัก ท่านก็เรียกลูกหลานมามาเป็นร้อยเลยนะ่ะพาอลูกเขายุ่ก็ถามว่าลูกหลังจากพ่อตายเนี่ยลูกจะนับถือาศาสนาอะไรถามอย่างนี้เลยนะ่ะถามคนตรงๆนะ่ะมาตาบูดูนามิมบาดีคุณจะนับถือใครหลังจากตายไปแล้ว ขอรู้ลูกทุกคนตอบนะอัมบดอิลลาฮ์กาวอาอาบะคะอิบรอฮิวอิสมาอิลวอิสฮักอิลลาห์วาฮิดะฉันจะนับถืออัลลอฮ์องเดียวเหมือนกับนบีอิบรอฮินบีอิสมาอินบีอิสฮักยังมีอีกต้นเขาเป็นห่วงกันาะนั้นตรงนี้สอนเราเรื่องใหญ่ก็คือเราเป็นห่วงาศาสนาคนถ้าไม่มีาศาสนาตายแล้วไปไหน นรกอา้าวนรกที่เบาที่สุดเรียกว่าอะไรยันนำเบาสุดอธิบายยังไงเอารูเข็มเจาะไปในยานนำเนี่ยเอาความร้อนออกมาถ้ารูเข็มนะโลกดุงยาในระเบิดนะคนเจ็ดพันล้านเนี่ยตายหมดนะมนความร้อนของยันนำเบาสุดท่านราเมิดตกรางจะให้ลูกหลานเราญาติพี่น้องเราตกนรก แล้วต้องมีาศาสนากำกับชีวิตจนก็ได้รวยก็ได้เป็นหมอก็ได้เป็นอะไรเป็นได้หมดนะแต่ต้องมีาศาสนากำกับชีวิตเราเพื่อไปสอนคนอื่นดูแลคนอื่นนะแล้วก็ต่อมาครับลิยาซูสะหุมมายยฮาฮีไลเพื่อมาเป็นเนื้อมาเอาความรู้ของนบีเนี่ยมาปกครองคนเนี่ยเนีย ด, ดีไหมดีเอาความรู้ ขาจากกูรานนี่นะขาจากสุนทร น, นาบีถ้าคนในยกคนี้นะเอากูรานก็เอาสุนทร น, นาบีมาปกครองคนเอาคนรู้นะแล้วก็อัลลอฮ์ก็รับดูอาอร์อันนี้เวลาเป็นคนดีแล้วเนี่ยนะมันดูแลคนด้วยดูแลศาสนาแต่ดูแลทรัพย์สินด้วยแต่อัลลอฮ์ไม่พูดเรื่องทรัพย์พูดเรื่องคุณธรรมก่อนนะคนต้องมีคุณธรรม การเมืองก็ต้องมีคุณธรรมเศรษฐกิจการแระการค้าขายก็ต้องมีคุณธรรมถ้าคุณธรรมไม่มีจบอย่างวันนี้การเมืองคุณธรรมไม่มีต้าไม่สองการอาจารยมนะั่นคุณธรรมดีต้องนบีมุฮัมมัดปกครองมักงงกะ อ, อย่างไรปกครองมดิน่ายังไรท่านอบูบักเป็นคอลีฟ้ายอย่างไรเอาแต่ของดีๆเอาอักากดีๆมาสอนให้ประชาชนมีคุณธรรม พอเข้าใจคุณธรรมมีศาสนาดีแล้วการเมืองก็ดีการปกครองดีหมดค้าคงค้าข า, ขายดีหมดท่า น, นอย่าเอาอิสลามออกจากธุรกิจนะครับ <c oughs> นอาต่อมาครับอายะนี้เนี่ยมีอยู่สองสามเรื่องนะครับต้องการจะอธิบายบอกว่าใครนนนะคนที่มีเงินเนี่ยนะคนที่มีเงินเนี่ย นบีมุฮัมมัดนี่นะไม่สะสมทรัพย์นี่อุลมะอธิบายนะพูดถึงอายา น, นี้เนี่ยที่นบีสกดริยาขอได้ลูกสักคนหนึ่งเพื่อให้ลูกของเขาได้เป็นนบีได้นบีมามาทําอะไรมาปกครองค น, คนดูแลคนสอนคนไม่ให้คนตกนรกเขาว่าเงินมีไหมเงินริสกีนบีสกดริยานมีอาชีพช่างไม้นี่เป็นช่างนี่นะมันเงินเยอะเงินเยอะมากเลย ถ้าคนจะดูทรัพย์สินก็ไม่มีแต่นั่นรองลงมาเป็นห่วงเรื่องศาสนารองลงมาก็คือทรัพย์สินริสกีที่อัลลอฮ์ให้เยอะใครจะดูล่ะก็ต้องลูกที่มีศาสนาและดูทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้มามาสวนนบีมุฮัมมัดอุลามะอธิบายดีนะนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ชอบสะสมทรัพย์ท่านาบีจะหาเงินเนี่ยได้ไหมรออักุบะ เอาเงินงมาแพระคนละตัวละตัวเยอก็เป็นร้อยเป็นแสนแต่นาีไม่เอาเพื่อจะบอกให้รู้ว่าการที่จะมีาศาสนาของอัลลอฮ์นั้นมันยิ่งใหญ่วกว่าการมีทรัพย์สินเพราะการมีทรัพย์สินนั้นทำให้คนหลายคนนั้นหลงทางมีไหมมีเช่นใครเราเราคุยกันบ่อยๆเนี่ยฟาอะไรฟาฮารูเป็นต้นนั่นคือตัวอย่างอะเวลามีอานาจ เวลามีเงินตะกบุตรเยอะยิงจองหงข้าข่าเด็กใช่ไหมฟารโรสั่งข่าเด็กใช่ไหมอ้าวามานเหมือนกันกอรนกูนเหมือนกันมีเงินเยอะแต่งตัวนี่ตะกบุตเยอะยิงจองหงทําลายใครทําลายนาบีมูซาอะเลฮิสลาหผลสุดท้ายเป็นไงครับอัลลอฮ์ให้แผ่นดินทําไงสูบ สูบกรู ล, ลงไม่พอสูบทรัพย์สินทั้งหมดของกอรูน่ลงไปในดินวันนี้ยังไม่ถึงก้นนะยันระว่างถึงก้นเมื่อไหร่วันนั้นวันเตียมทาทันทีถามว่าไอ้ชื่สูกน่ะเจ็บปะเจ็บสูกน่ะเจ็บม ะ, บบมะยังงี้เป็นต้นนะอาละนบีมุฮัมมัดเนี่ย ไม่สะสมทรัพย์เพื่อตัวเองและครอบครัวของตัวเองนบีพูดอย่างนี้นะครับในฮะดิษ์อิมันบุคอรีมุสลิมบอกว่าลานูรัสมาตะรกนาสอดกลานนรัสุมาตารกนาสอดกโสิ่งที่นบีมีทรัพย์สินอยู่บ้านเมียนะไม่เอาทรัพย์สินนั้นเป็นมรดกให้กับลูกๆหลาน น บ, บีจะสรดลก้อหมดเลยจ่ายหมดเลยนี่เป็นต้นพวกเราเนี่ยมีมีมีทรัพย์สินเป็นระดกดีไหมดีอย่าปล่อยให้ลูกจนนะครับมีสาวบ้านนบีคนหนึ่งมาหาทานันในวิยาสุทนันมีที่เยอะฉันจะบริจาคครึ่งหนึ่งน บ, บีว่าเยอะไปหนึ่งศรษฐเยอะไปน บ, บีถา ม, มา่าแล้วจะให้ลูกคุณอด มีคนจนกันนะหรือเราขอขอทานเขาว่าอย่าทามีทรัพย์สินเก็บไว้ให้ลูกห ล, ล, ลานละหลานได้ใช้รีสกี้ของคุณแต่ก็สอนให้เขานมีาศาสนาด้วยจะได้เอาริสกีที่ได้มานั่นเป็นประกาศเป็นสโตอกอเป็นทาดยะเป็นวกคาฟกับสังคมอันนี้เป็นต้ตนเรงการสะสมทรัพย์นี่นะดีไหมไม่ดีแต่ถ้าสะสมไว้เพื่อ อาไปดูแลคนยากคนจนดีๆนะอีสันมาไอ้ท่านกอตาดารดิยัลลอหอ ก, ก่าว่ายัฮมุลลอห์นบีพูดเองนะยะตฮมุลลอห์ザกรียาขอตอวต่อลอดได้ประทานความเมตตาให้กับนบีザคาริยาดนี่นบีมุฮัมมัดขอนะขอให้คนตายเห็นไหมยังขอให้คนตาย แ่นั้นแม่เสียชีวิตไปแล้ว الله, อย่ารออภัยโทษให้มาของฉันด้วยถามวันนบีมุฮัมมัดกับ น, นบีสุการิยหาห่างกันกี่ปีหลายพันปีนะนบีขอการยาทำมุลลอหุสุการิยาโอ Allah ประทานรหมมะให้กับนบีสุการิยาด้วย Allah ลลสั่งให้เราชมเชยนบีมุฮัมมัด Allah ุมครอลย Allah มุฮัมมัดทานบีเสียชีวิตไปท่า น, นสรกว่าปี แสดงว่าคนที่นอนอยู่ในกุโบนั้นมีชีวิตแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองถ้าเราจะเปิดให้เราเห็นโอ้เ็ายู่กันแบบนี้แล้วเนี่ยมันเกินความสามารถที่สติเราจะคิดได้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นคุน้องวามากานอัลลอฮิมินวารซีฮีมาดีฮีและประทานความเมตตาให้กับสิ่งที่อยู่ข้างหลังหมายถึงหลังจาก น บ, บีรักริยาเสียชีวิตไปแล้วนะ่ะมีริสกีทรัพย์สินเยอะรอดได้ประทานความเมตตาด้วยไปน้องไัไหนนะครับขอบคุณนลลนะที่เราอ่านว่าจะอ่านอีกอายะหนึง่งไม่มีเวลาแล้วจบนะครับได้ห้าอายะน ะ, ะเพราะฉะนั้นอายาสุดท้ายตกรจะอธิบายว่าไงนะอยากจะได้ลูกอ่า แคนั้นได้ลูกต้องเนียดให้ดีนะได้ลูกมาเพื่อที่จะเอามาดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์ถามว่าอายุจบปัญญาโทปัญญาตีแล้วเรียนศาสนาได้ไหมได้หไม่ได้ ไ, ได้อ่านกุ้งอ่านดูความหมายของอัลกุรอ า, า, มมานไปน้องทำใจให้สะอาดอัลลอฮฺอักบะด์แนั้นก่อนจะตาย ขอให้เราทุกคนเนี่ยนะเนี ย, ยจะทํางานศาสนาของอัลลอฮ์ดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์ดูแลตัวเองก่อนดูแลคนอื่นคนที่สองที่สามที่สี่คนต่อต่อไปช่วยกันเพราะว่างานศาสนาเป็นงานที่มีเกียรติมากและไม่มีเงินเดือนตรงนึกตรงนี้เงินเดือนเอาจากใครจากอัลลอฮ์ขอเบอิกสวรรค์จากอัลลอฮ์ท่านเท่าไหร่ท่านฟินดาวเลยเวลาขอต้องขอท่านฟินดาวส์ แต่ฟิล ด, ดาวเนี่ยเป็นชื่อสวรรค์ที่อัลลอฮ์ชั้นพิเศษอยู่ใกลบ้บัลลังก์อัลลอฮ์แลว้วก็น้ำเนี่ยไหลผ่านมาจากฟิล ด, ดาวเนี่ ย, ยสีสายนะอะไรบ้างน้นำพึ่งน้ำนมอะไรนะั่นเหล้าแลว้วก็น้ำธรรมดาออกมาจากฟิดดาวส์นะอัลลอฮมนมุัมกัสูรุลลาหอิลาห์อิลลาอันตะอัสตัลฟรุกาวะอตูบิลค์มุสซัสลมุอะลัยคุมวะราะห์มตุลลอฮิวะบาระกาตุ